วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนสามหรือเดือนสี่ในกรณีที่มีสิบสามเดือนอย่างปีนี้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ด้วยกันสามวันด้วยกันถ้าเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เกิดขึ้นก่อนคือวันตัสรุของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นสองเดือนต่อมา ก็ส่งประกาศพระธรรมคำสอนเป็นวันอาสาหะบูชาวันเพ็ญเดือน8แล้วหลังจากนั้นอีกเจดเดือนด้วยกันคือวันเพ็ญเดือนสาคือวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาวันที่มีพระอระหันตสาวกสอง5 0หนึ่งรูปหรู ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทติต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้านี่คือเหตุการณ์ของวันมาคาบูชาเกิดขึ้นเจดเดือนเก้าเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรตวพระพุทธเจ้าทรงตัดสรตวในวันเพ็ญเดือน 6. หกหลังจากนั้นสงเดือน หลังจากที่ได้สวยวิมุตติธรรมและได้พิจารณาว่าควรจะนำธรรมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกหรือไม่หลังจากที่ได้พิจารณาได้แยกแยะว่าสัตว์โลกนี้มันเป็นเหมือนบัวสี่เหล่ามีความรู้ความสามารถสี่ระดับด้วยกัน ระดับที่จะรับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกัน <Yeah. S 1> มีระดับที่สี่เป็นพวกที่เป็นบัวใต้น้ำบัวที่อยู่กับโคลนตงนี้โอกาสที่จะเจริญขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้านี้แทบจะไม่มีอ่อนเคยแยก ผู้ที่จะควรสั่งสอนได้สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็พวกที่อยู่เป็นบัวเหนือน้ำเพียงแต่รอแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาในยามเช้าบัวนั้นก็จะบานขึ้นมาทันทีเปรียบเหมือนกับจิตของผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่มีศีลมีสมาธิสมบูรณ์ พอได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจิตก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีตรงนี้ก็เป็นบัวเหล่าที่หนึ่ง<ม>พวกบัวเหล่าที่สองก็เป็นพวกที่เป็นบัวกลางน้าะบัวปลิ่นน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่รออีกสักวันสองวัน<ม>บัวก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ พวกนี้ก็เป็นผพืนพวกที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้สมาธิยังเป็นจะต้องเจริญปฏิบัติสติจเจริญสมาธิให้จิตตั้งมั่นก่อนถึงจะสามารถที่จะรับธรรมอนรเริฐและบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้พวกนี้ก็พวกที่สองพวกที่สามก็เป็นพื่อกที่มี ศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและในเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังไม่ได้มีศีลที่สมบูรณ์ยังไม่มีสมาธิจาเป็นที่จะต้องฝึกศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปพอได้ศีลแปดแล้วก็จะสามารถฝึกสมาธิได้ พอฝึกสมาธิได้ต่อไปก็สามารถรับธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อันนี้ก็เป็นบัวเหล่าที่สามถ้าเปรียบเทียบก็เป็นพลาวาัตญาตโยมนี่แหละที่ยังไม่สามารถปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะมันนั่งสมาธิทําจิตให้สงบได้แต่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปในการเรื่องการรักษาศีลเรื่องการทําบุญทําทานพวกนี้ก็ต้องพยายามทําบุญทําทานไปก่อนแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองรักษาศีลแปดในวันพระหรือ ในวันพระถ้ารักษาศิลงแปดได้ก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิได้ฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะสามารถเรียนปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เรียนว่าอริยสัจสีนั้นเป็นอย่างไรไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เป็นอย่างไร ก็จะสามารถที่จะเริ่มเข้าสู่ธรรมเนนประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ทีลเเล็กที่เรน้อยก่อนต่อไปก็อาจจะมีศรัทธาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นถือศีลแปมากขึ้นฝึกสมาธิมากขึ้นต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนเพศจากคารวะไปเป็นนัก บ, บวชได้ไปบวชเป็นพระบวชเป็นชี แล้วก็ไปบำเพ็ญศีลสมาธิอย่างเต็มที่พอได้สมาธิได้ฌานก็สามารถเจริญปัญญาเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่ก็สามารถที่จะทำให้จิตนั้นดุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ส่วนบุคคลประเภทที่สี่คือบัวที่อยู่กับอยู่ใต้น้ำอยู่โคลนตมนี้ เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องนรกสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ตัดสรู้ธรรมจริงไม่เชื่อว่ามีพระอริยสังฆอริยสงสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริง พวกนี้ก็จะไม่สนใจที่จะเข้าหาศาสนาเข้าหาพระธรรมคําสอนพวกนี้ก็เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะจิตเขาไม่มีศรัทธาความเชื่อพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่สามารถทรงสอนได้สอนได้เป็นเพียงเพียง บ, บัวสามเหล่าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งไปสอนบุคคล ที่สามารถรับธรรมได้อย่างรวดเร็วก่อนคือพวกบัวเหนือน้ำพวกที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่พวกนี้ก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองในสมัยในระยะแรกๆของการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันนราสาห บ, บูชาพระองค์ก็เริ่มทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐให้แก่ ผู้ที่มีความสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีก็คือพระปัญจวัคคีซึ่งเป็นนักบวชเหมือนกับพระพุทธเจ้าเ ค, คอยติดตามพระพุทธเจ้าเป็นสาวกอยู่ระยะหนึ่งแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนักบการอดพระกายอาหารเพื่อการหลุดพ้นพวกพระปัญจวัคคีก็เกิดความเสื่อมศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้า ก็เลยแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไป <Yeah. S 1> แต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว mm. ก็ทรงเห็นว่าบุคคลที่สามารถที่จะรับธรรมมันประเสริฐได้อย่างง่าย mm. ดายและร ว, วดเร็ว mm. ก็คือพระปัญจวคีนี่ mm. พระองค์ก็เลยมุ่งไปสอนพระปัญจวคีก่อน mm. เป็นอันดับแรก mm. หลังจากที่ทรงแสดงธรรมเสร็จครั้งแรก หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นพระโสโดาบันขึ้นมาแล้วหลังจากที่ทรงสแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสมบูรณ์ได้บรรลุถึงพระนิพพาน แดนอันเกษงไปด้วยบารมีสุขหลังจากที่พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วก็พร้อมที่จะรับทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่ธรรมให้แก่พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งว่าให้แยกทางกันไปไปกันคนละทิศคนละทางอย่าไปทิศเดียวกันสองสององค์สองคนให้แยกกันไป เพื่อที่จะได้กระจายพระธรรมอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางนั่นเองแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงวุ่งไปตามสำนักของนักบวชทั้งหลายนละทรงแสดงธรรมที่ได้ทรงตัดสรู้คือพระอริยสัจสี่ละใจละให้แก่บรรดานักบวชเหล่านั้นได้ยินได้ฟังพอเขาได้ยินได้ฟังเขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมกันเลย ก็เลยปรากฏมีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอลันตสาวกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างง่ายดายและรวดเร็วหลังจากนั้นท่านเหล่านั้นก็แยกกระจายกันไปตามสารทิตต่างๆเพื่อนำธรรมอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปจนพอถึงวันเพ็ญเดือนสารคือเจ็ดเดือนต่อมาหลังจากที่ ได้ส่งประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็ปรากฏมีผ้าอาหานตัสสาวโกอย่างน้อย 1,250 สองรหรูปด้วยกันที่ได้ไปเผยแผ่ธรรมตามสาวทิศ ต, ต่างๆได้มุ่งเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าก่อนมาพบกันในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชาในนี่เกิดที่มาของวันมาคาบูชา เป็นวันที่มีพระอาหารหันตสาวก1250รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันและพระอาหา ร, ระอาหันตสาวกหนึ่ันสาวก1250รูปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เพราะเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชเป็นเป็นนัก บ, บวชในสำนักอื่นในลัฐที่อื่นแต่พอหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวก ก็อยากจะขอเป็นนักบวชในรัฐทิของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยการกล่าวคําว่าเอหิพิกขุแต่ว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดเท่นทา น, นั้นก็ถือว่าสําเร็จในการบวชแล้วการบวชในยุคแรกๆนี้ไม่ต้องทําพิธีมากเพียงแต่โกนหัวหน้มผมผ้าเหลืองแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็บ่าว่ า, อาขอให้เธอจงเป็นภิกษุเถิดพอได้ตัดดังนั้นแล้วก็ถือว่าได้เป็นพระภิกษุขึ้นมา ท, าทันทีนี่ก็เป็นการสแสดงให้เห็นถึงอนุภาพของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถสอนให้ผู้ที่ ตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานนี้สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในยุคที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกๆนี้ส่วนมากมักจะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังกันเพราะมีศีลมีสมาธิพร้อมที่จะรับปัญญาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงให้ฟัง พอฟังอริยสัจ ส, สี่ฟังมรรคแฟังใจรักษณ์เข้าใจก็สามารถที่จะปล่อยวางกิเลสตัณหาโวหาอวิชาที่เป็นตัวไปสร้างความทุกข์ต่างๆไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆให้ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆก็หายไป ดลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นเป็นการสแสดงให้พวกเราที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ให้มีกําลังใจให้รู้ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นพระธรรมที่มีอนุภาพสามารถที่จะช่วยให้พวกเราที่ตอนนี้ยังมีความทุกข์ต่างๆอยู่นี้ให้หมดทุกข์ได้ให้สิ้นทุกข์ได้ ถ้าเราน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพราะมีผู้ที่ได้น้อมนําเอามาศึกษามาปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้แล้วคือพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากําลังมีอยู่กันในขณะนี้เราก็ น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในวันมาคา บ, บูชานี้ทรงแสดงธรรมสั้นๆไว้โดยสรุปว่า 1. ให้ละการกระทาบาปทั้งปวง 2. ให้สร้างบุญสร้างขุศสทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าสามารถปฏิบัติ สามขั้นตอนนี้ได้แล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในจิตใจนี้จะหายไปหมดเลยความทุกข์ความวิตกกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวความเครียดความไม่สบายใจความกังวลอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ นี้จะไม่มีอีกต่อไปในใจของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินอันนี้แหละคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและหน้าที่ของพระอาริยสงสาวกนี้ก็มีเพื่อที่จะมาสอนธรรมะให้กับพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่เพื่อให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ไปได้นั่นเอง แต่เรานี้ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนนี้ไปปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้จะค่อยๆหมดไปตามกำลังของการปฏิบัติของเราปฏิบัติมากก็จะก็จะหายหายได้มากปฏิบัติน้อยก็จะหายได้น้อย แต่ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนแล้วรับประกันได้ว่าจะต้องหมดทุกข์อย่างแน่นอนเช่นขั้นที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปแต่ละครั้งนี้ใจเราจะไม่ไม่รู้สึกจะรู้สึกไม่สบายใจ ความไม่สบายใจนี้แหละก็คือความทุกข์อาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าเป็นบาปหนักหรือบาปเบาถ้าเป็นบาปเบาก็อาจจะรู้สึกทุกข์น้อยหน่อยถ้าเป็นบาปหนักก็จะรู้สึกทุกข์มากน่อยแต่ไม่ว่าจะบาปหนักหรือบาปเบามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันจำเป็นที่จะต้องไม่กระทาบาปทั้งปวง บาปนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่าคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์3การประพติผิดประเวณี 4. การพูดปดและ5การดื่มสุรายาเมาของมึนเมาต่างๆและรวมไปถึงการเสพอบายามุกต่างๆ นอกจากดื่มโซดาแล้วก็ควรจะละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวเตะละเว้นจากการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสและละเว้นจากความเกลียดค้าด้วยเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นกรการกระทาที่จะทำให้ไปทาบาปต่อไปนั่นเองเพราะว่า มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับไปเที่ยวก็มีแต่รายจ่ายเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็หมดเอาเงินหมดแล้วยังอยากจะเที่ยวต่อแล้วไม่มีไม่ได้ทางานต้อมัวแต่ไปเที่ยวก็ต้องไปหาเงินด้วยการรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ไปทาบาปแล้วอาจจะไปมีการต่อสู้กันนะอาจจะเกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมาก็ได้ และ้ไม่ควรที่จะเสพอบายามุขเสารานี้พอเสพก็ไปแล้วก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีอยากจะพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ไม่สามารถยับยั้งได้พอไม่ยับยั้งอารมณ์ปล่อยให้พูดให้ทำก็ทำให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่น แล้วก็จะกลับมาเป็นโทษกับผู้กระทาเองเช่นไปทำร้ายผู้อืน่นก็เดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับไปลงโทษเป็นต้นหรือขับรถแล้วมาแล้วไปขับรถเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือทำให้ตนเองเสียชีวิตได้การกระทำเหล่านี้จึงเป็นการกระทาที่ จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาในภายหลังฉัน้นถ้าเราละการกระทำบาปและอบายามุขได้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปและอบายามุขก็จะไม่มีจะไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดประเวณีไม่มีการพูดปด ถ้าไม่ได้ดื่สุรายามเมาถ้าไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้เที่ยวเตะไม่มีความเกียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบาอยามุกเป็นมิตรเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เราไปทําบาปนี้ก็มีน้อยลงเมื่อไม่มีการกระทําบาปหรือทําน้อยลงความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะน้อยลงลอง ลองดูวันไหนที่เราทำบาปกับวันที่เราไม่ทำบาปดูดูว่าจิตใจของเรานี้เป็นอย่างไรเราจะเห็นความแตกตา่างว่าใจของเราสบายที่วันไหนที่เราไม่ได้ทำผิดนี่เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจไม่วิตกไม่กังวลแต่วันไหนที่เราทำบาปนี่เราจะรู้สึกวิตกกังวลถึงแม้จะไม่มีใครรู้ว่าเราทำก็ตาม แต่ความรู้ในใจของเรานี้มันทำให้เรากังวลกลัวว่าคนอื่นจะรู้แล้วก็กลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองอันนี้ก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทําบาปถ้าเราละได้ความทุกข์ใจเหล่านี้ก็จะหายไปเป็นการลด จำนวยของความทุกข์ใจให้น้อยลงด้วยการปฏิบัติทำข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราได้ปฏิบัติกันลองรักษาศีลห้ากันดูลองละเว้นการเสพอบายามุกกันดูแลดูผลที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรจิตใจของเราจะมีความสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้น เพราะมีความทุกข์น้อยลงนั่นเองงั้นอย่าไปหลงกับกระแสของโลกที่เขานิยมดื่มชูลายาเ ม, มากันเพราะคิดว่าการดื่มแล้วจะมีความสุขความจริงการดื่มชูลาของคนทางโลกนี้ก็ดื่มเพื่อกระจายความเครียดนั่นเองอบรรเทาความเครียดบรรเทาความไม่สบายใจต่างๆนั่นเองแตเ่เป็นวิธีบรรเทาที่ไม่ถูกเพราะว่า ดืมแล้วก็จะทำให้เกิดการมืนเมาขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่ไม่สามารถระ ง, งับอารมณ์ที่ไม่ดีได้เดี๋ยวก็ไปมีปัญหาไปทำร้ายผู้อื่นหร้อไปมีปัญหากับผู้อื่นต่อไปได้แล้วความทุกข์แทนที่จะหายไปก็กลับเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาใหม่ น, นั่นเองันเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะปลอดภัย รับประกันได้แล้วก็ปลอดภัยจากความทุกข์ที่จะเกิดจากการกระทำที่ไม่ดีต่างๆเพราะเราจะไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้เราต้องไปกระทำบาปกันนั่นเอง<ม>ถ้าเรายังไม่ได้รักษาสี่ห้าก็ลองรักษากันดูสี่ห้าก็เป็นวิธีที่จะห้ามไม่ให้เราไปทำบาปกันถ้าเราไม่ถือสีลห้าเราก็อาจจะคิดว่าเพราะ พอเราจะคิดจะทำบาปเราก็จะไม่มีอะไรมาห้ามเราแต่ถ้าเราถือศีลหา้า<ม>พอจะไปลักทรัพย์เราก็จะรู้ทันทีว่าเรากำลังจะทำผิดศีลแะ<ม>เราถ้าเราจะไปฆ่าสัตว์ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังจะไปทำบาปแล้ว<ม>แต่ถ้าเราไม่ได้ถือศีลเราก็จะไม่ได้มีอะไรมาห้ามตามเรา<ม>งั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้อง มีเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเราการถือศีลนี่ก็เป็นการตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินไปในทิศทางที่ที่ดีนั่นเองเราจะไม่เดินไปในทิศทางที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราและนี่คือศีลห้าที่เป็นศีลพื้นฐานของชาวพุทธเราถ้าจะเป็นพูทแท้นี้ต้องเป็นพูทที่ มีศีลห้ามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้ามีศรัทธาก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนของพระเจ้าก็สอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงจึงจะเป็นถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นแต่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านเพียงอย่างเดียวเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้ต้องทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ไม่มากก็ต้องน้อยต้องมีการปฏิบัติมีการกระทําขั้นน้อยที่สุดก็คือขั้นศีลห้าถ้าศีลห้ายังไม่ได้ก็เอาศีลสี่ก่อนก็ได้ศีลสีไม่ได้ก็เอาศีลสามไปก่อนพยายามรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งให้ได้ก่อนก็ได้ถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่มีกำลังพอที่จะรักษาศีลห้าได้ทั้งหมด ก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนหรือสองสามข้อที่เราสามารถรักษาได้ก็รักษาไปก่อนแล้ววันพระเราอาจจะถือเป็นวันพิเศษที่เราจะตั้งใจที่จะรักษาสี่ห้าให้ได้อย่างเต็มที่ก็ได้ <Yeah. S 1> เราก็ต้องเริ่มต้นกันที่วันพระวันพระนี้จะรักษาสี่ห้ากันให้ครบทั้งห้าข้อ <Yeah. S 1> จะมีสติคอยระมัดระวังดูว่า จะไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าจะไปรักทรัพย์หรือเปล่าจะไปประพฤติผิดปร ะ, ปะเวณีหรือเปล่าจะพูดปดหรือเปล่าจะเดินสุรายาเมาหรือเปล่าพอเรามีสัจจะตั้งสัจจะที่ฐานว่าเราจะรักษาศีลห้าพอเราจะไปทำผิดศีลเราก็จะเบรกได้ทันทีเราก็จะหยุดมันได้ทันทีเพราะเราต้องการที่จะมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นเอง เพราะเราอยากจะได้อา น, นิสงส์จากการรักษาศีลอา น, นิสงส์จากการรักษาศีลนี่มีสองระดับด้วยกันคือระดับในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปรากฏขึ้นในใจของเรานี่อันนี้เป็นระดับแรกคือพอเราทำบาปปั๊บนี้ใจเราจะไม่สบายทันทีระดับที่สองก็คือ บาปที่เราทำนี้ในแต่ละวันนู่นแต่ละเดือนแต่ละปีมันจะสะสมอยู่ภายในใจของเราแล้วเวลาที่เราตายไป <Yeah. S 1> เวลาร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Yeah. S 1> บาปที่เราได้ทำมันก็จะสะสมอยู่ในใจของเรา <Yeah. S 1> ถ้าบาปนี้มันมีมากกว่าบุญที่เราได้ทำไว้ <Yeah. S 1> บาปนี้แหละเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปเกิดในอบาย yeah. ในบ่ายก็มีสีส่แห่งด้วยกันสี่สถานที่หนึ่งก็เรียกว่าเดรฉานคือไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉานการไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉานนี้ท่านแสดงไว้ว่าเกิดจากการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาคือพวกที่ท ร, รมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตน uh huh. ก็คิดว่าจําเป็นจะต้องทํา uh huh. แล้วเขาก็ไม่เชื่อบาปว่าบาปมีจริงตายไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไปเกิดใหม่พวกนี้ uh huh. เขาก็จะกล้าทําบาปก้าทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต uh huh. แต่เขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําจิตใจของเขาให้เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง เพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปเวลาที่เขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาเองสัตว์ใหญ่มากจะกินสัตว์น้อยเป็นอาหารอันนี้จิตใจของมนุษย์ที่ทําบาปด้วยความหลงก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายนะเป็นตั้งแต่ใจกับร่างกายนะมันเป็นคนละส่วนกันถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เริ่ม กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเทระเล็กเีระน้อยนะขึ้นอยู่กับบาปที่ทำว่าทํามากทําน้อยทําไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอตายไปถ้าไม่มีบุญมาช่วยดึงไว้เนี่ยจิตก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้หรือด้วยความไม่มีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอน ของผู้รู้ชเช่นพระพุทธเจ้าถ้าถ้าทํำบาปด้วยความโลภท่านบอกว่าก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี้ไม่มีร่างกายเหมือนสันติราชาเปรตนี้เป็นดวงวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยเพราะความโลภนี้จะทําให้จิตใจหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ต้องไปหามา ถ้าหามาด้ว ย, วาวยการกระทำบาปก็จะทำให้ใจร้อนใจทุกข์จากความโลภแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอได้อะไรมามากน้อยพเพียงไรเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีก <Yeah. S 1> พอร่างกายตายไปพอเกิดความหิวความโลภ ก, ก็ไม่สามารถไปหาอะไรม า, ม า, ม, ามาเสพได้ตามความต้องการ <Yeah. S 1> ก็เลยทำให้เกิดมีแต่ความหิวโหวยในในดวงวิญญาณดวงนั้น นี่ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภก็จะทําให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเราเรียกว่าเปรตส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทําร้ายหรือกลัวว่าจะมาทําร้ายสิ่งของเราทําร้ายอะไรเราสิ่งต่างๆเราก็ทําร้ายเขาก่อนฆ่าเขาก่อนทําบาปด้วยการความกลัวอันนี้ก็จะทําให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว มีแต่หวาดกลัวเรื่องนั้นหวาดกลัวเรื่องนี้เวลาที่มีความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวนี้จะเป็นจิตใจจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์และประการสุดท้ายถ้าทำบาปด้วยความกโกรธด้วยความมาฆาาพยาบาทเนี่ยก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นมีแต่ความรุ่มร้อนภายในจิตในใจ เพราะต้องการที่จะร่างแค้นต้นองการที่จะทำร้ายผู้ที่ทำให้ตนเองเกิดความโกรธเกิดความเสียหายขึ้นมามอันนี้เราก็เรียกว่านารก<ม>นรกนี้แหละคือนารกไม่ใช่เป็นสถานที่เปรต<ม>ก็ไม่ได้เป็นสถานที่<ม>เป็นดวงวิ ญ, ญญาณแต่ละดวง<ม>ที่มีความทุกข์ชนิดต่างๆทุกข์เพราะความหิวโหวยก็เรียกว่าเปรตทุกข์เพราะความหวาดกลัวก็เรียกว่าอสุ ร, รกาย ทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็เรียกว่านรกนี่เองันนี้เป็นกรณีถ้าทำบุญน้อยกว่าทำบาปนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าเวลาตายไปบาปจะดึงใจให้ไปเป็นดวงวิญญาณในอบายชนิดต่างๆแต่ถ้าเราได้ทำบุญด้วยได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยถ้าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลมากกว่าบาป เวลาร่างกายตายไปบุญนี้มีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเพราะบุญนี้เป็นเป็นเหตุของความสุขใจนี่เองความสุขใจนี้จะทําให้ดวงวิญญาณเป็นเทวดาไปเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วความสุขใจก็แปลว่าสวรรค์นี่เองแล้วก็ความสุขใจนี้ก็มีสุขมากสุขน้อย ขึ้นอยู่กับการทำบุญว่าทำมากทำน้อยทำมากก็จะสุกมากทำน้อยก็จะสุกน้อยอันนี้จึงมาเป็นที่มาของคำสอนข้อที่สองว่าข้อหนึ่งพยายามอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะระ ง, งับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลไว้ต้านบาปไว้ทำบุญสร้างกุศลต่างๆไว้ การทำบุญนี้ก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจกันก็คือการทำบุญด้วยการให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าทานเช่นทำบุญใส่บาตรถวายเงินให้กับวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างถาวรและวัตถุต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแบบหนึ่งแต่เราสามารถทำแบบอื่นได้ เช่นทาบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเราบริจาคเงินสร้างสร้างหอรักษาโรคภัยไข้เจ็บซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันทาบุญกับโรงเรียนก็ได้ทาบุญกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเช่นพอเ็ ก, กตึงรวมกตัญญูสภากาชาติไทย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้กับใจแล้วบุญเหล่านี้จะสะสมไว้ในใจของเราแล้วเวลาที่ร่างกายเราตายไปบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันดูว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็ยังไม่สามารถสมผลได้แต่บาปไม่หายไปนะบาปยังมีอยู่ ฝาที่เราสะสมไว้อยู่เหมือนเงินบัญชีเงินกู้กับบัญชีเงินฝากนี่มันต่างบัญชีกันบัญชีเงินฝากก็บัญชีเงินฝากบัญชีเงินกู้ก็เป็นบัญชีเงินกู้ไม่ใช่ว่าพอมีบัญชีเงินฝากมากกว่าเงินเงินกู้แล้วเงินกู้ก็จะหายไปมันก็ยังอยู่จะหายไปก็ต่อเมื่อเราไปใช้นี่ที่เรากู้มาแต่ถ้าเรายังไม่ใช้นี่มันก็รอโอกาสที่จะแสดงผล อย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้ได้บรยสุดอย่างเต็มที่เราก็ควรที่จะหมั่นทำบุญกันเพื่อที่เราจะได้มีบุญมาดึงใจให้เราให้ได้ไปสู่สุคติกันให้ได้ไปสวรรค์นในขณะที่เรายังเราเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน อย่างน้อยก็ขอให้เราเวลาตายไปให้ไปเกิดในสวรรค์กันก่อนด้วยการหมั่นพยายามทำบุญชนิดต่างๆตามตามความสามารถของเราบุญมากน้อยนี้ไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะการเปรียบเทียบบุญมากบุญน้อยนี้เปรียบเทียบในตัวเราเองเราทำบุญสิบบาทเราทำบุญร้อยบ า, เาทบบาเนี่ยจะมีผลต่างกันในใจเราเราจะรู้สึก ทำบุญหบาทบางทีรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ถึงใจถ้าทำบุญสักห้าร้อนี่มันจะถึงใจกว่ามันสุขใจมากกว่าเะฉะนั้นการทำบุญนี้ไม่ต้องไปดูปริมาณเงินของคนอื่นดูปริมาณเงินของเรา <Yeah. S 2> ว่ามากหรือน้อยนี่มันจะมีผลกับจิตใจของเรา <Yeah. S 2> คนสองคนนี้ทำบุญจำนวนเงินไม่เท่ากันแต่อาจจะได้บุญเท่ากันก็ได้ เพราะว่าคนที่มีมากเขาก็ต้องทำมากเขาถึงจะรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขคนที่มีน้อยก็ไม่ต้องทำมากเท่ากับคนที่มีมีมากก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขได้เหมือนกันขอให้เราพยายามทำบุญกันตามคำสอนของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในข้อที่สองเพื่อที่จะรักษาใจของเราให้มีความสุขใจแล้วก็ระงับความทุกข์ที่เกิดจาก บาปที่เราก็ทำไว้ชั่วคราวก่อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันตายถ้าเรายังไม่สามารถทำคำสอนข้อที่สที่ยากขึ้นไปได้ข้อที่สมก็สอนให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือให้เรากำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจ และพาให้เราไปเวียนไหว้ตายเกิดกันอันนี้จะปฏิบัติได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีเวลาและมีกำลังต้องมีกำลังที่จะรักษาศีลมากกว่าศีลห้าขึ้นไปต้องรักษาศีลแปดให้ได้แล้วก็ต้องมีเวลาที่จะไปปฏิบัติไปชำระจิตใจด้วยการเจริญจิตตภาวนา การภาวนานี่แหละเป็นการซักพอกจิตใจวิธีอื่นนี้ไม่สามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทำบะละการกระทำบาปก็ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้ทำบุญทำทานก็ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปได้แต่ทำให้เบาบางลงได้เช่นถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะทำให้ความโกรธนี้เบาบางลงหรือความโลภเบาบางลง ใช่เวลาเราโลภแล้ว เ, เราอยากจะไปขโมยของคนของคนอื่นอย่างนี้พอเราบอกว่าเรารักษาศีลอยู่ไปไม่ได้ความโลภที่จะไปขโมยของของคนอื่นก็จะระ ง, งับลงไปได้แต่ไม่หายถ้าวันไหนเราไม่ได้ถือศีลปักความโลภมันโผล่ขึ้นมามันก็อาจจะดึงให้เราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นได้ต่อไปมันจะมันจะหายได หายจากจิตจากใจได้นี้ต้องใช้การภาวนาถึงจะหายได้จึงมาสู่การปฏิบัติขั้นที่สมที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติคือการภาวนานี้เอง mm. เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ mm. ทำบาปตอนขั้นต้นก็ให้รักษาศีลก่อนละเว้นจากการกระทำบาปวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปถ้าเป็นคารว่าทุกของเรือน วันพระก็มหาหัดรักษาศีลแปมหัดอยู่แบบนักบวชกันซ้อมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าอยากที่จะไปปฏิบัติไปชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นี้จําเป็นจะต้องไปเป็นไปอยู่แบบนักบวชเพราะจะได้เป็นมืออาชีพนั่นเองมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนี้ต่างกันเราดูนักกีฬามืออาชีพกับนักกีฬามือสมัครเล่นนี้ความสามารถจะไม่ไม่เท่ากัน มืออาชีพนี้เขามีเวลาซ้อมมากกว่าเพราะมือมืออาชีพนี้เขาไม่มีงานการอย่างอืงอ่นต้องทำเขามีแต่ซ้อมกีฬาของเขาทุกวันทุกเช้าทุกเย็นพอถึงเวลาไปแข่งขันเขาก็จะมีความสามารถที่สูงกว่าพวกเป็นมือสมัครเล่นพวกมือสมัครเล่นนี้ก็จะสามารถมาซ้อมกีฬาได้ในช่วงวันหยุดทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ถ้าอยากจะ เข้าไปแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลแบบมือสมัครเล่น <c oughs> ก็ต้องเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ว่างจากการทำงานนี้ไปไปฝึกหัดไปซ้อมกีฬาที่ตนเองชอบ <c oughs> เพื่อที่จะได้เข้าแข่ง <c oughs> ขันได้อันนี้ก็เหมือนกันการภาวนา น, นี้ก็เป็นเหมือนกีฬาอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เรื่อย <c oughs> ๆดังนั้นสาหรับผู้ที่ครองเรือนี้ โอกาสที่จะเป็นมืออาชีพนี้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเวลาพอเพราะยังมีภารกิจมีหน้าที่การงานต่างๆที่ยังต้องทำอยู่จะมีเวลาว่างก็เฉพาะเวลาเลิกหลังจากเลิกงานเช่นตอนเย็นพอกลับบ้านนี้ถ้าอยากจะซ้อมภาวนาก็ยังพอจะซ้อมได้ก่อนนอนก็ลองไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิดูอันนี้ก็เป็นขั้นมือสมัรเล่น แล้วพอวันเสาร์พอวันพระวันหยุดทำงานวันที่เรามีเวลาว่างเราก็ลองมาซ้อมแบบมืออาชีพคือทำทั้งวันเลยทั้งวันวันนั้นวันหยุดทำงานไม่ต้องไปทำงานเอาเวลาว่างไปวัดก็ได้ไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้หรือถ้าอยู่ที่บ้านเราสามารถทำที่ให้เราปฏิบัติธรรมได้ไม่มีใครมารบกวนก็ทำที่บ้านก็ได้ แต่เราจะทำทั้งวันเลยเราจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนอกจากการรักษาศีลแปดแล้วก็การเจริญจิตตะภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญสติฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาอันนี้ก็เป็นการซ้อมเป็นมืออาชีพด้วยการทำในวันหยุดไปก่อนถ้าเราทำแล้วเราได้ พอเราทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาพอได้ถ้าเราได้สัมผัสกับผลคือความสงบของใจเวลาเราจเจริญสตินั่งสมาธิได้พอจิตสงบี้กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ที่เป็นตัวที่มาคอยสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี้มันจะสงบตัวลงไปพร้อมๆกับการสงบตัวของจิตพอจิตสงบ กิเลสตัณหาก็สงบตามตอนนั้นความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขความสบายใจความเบาอกเบาใจถ้าเราได้ผลอันนี้แล้วมันจะทำให้เราเกิดมีกำลังใจมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มหาเวลาเพิ่มมากขึ้นด้วยการลดการทางานให้น้อยลงไป เพราะว่าเวลาเราได้ผลจากการปฏิบัติเรานี้เรามีความสุขเมื่อมีความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกไม่ต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นไม่ต้องไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยของสวยๆกำงามมาสวมมาใส่มาใช้สู้เอาความสุขที่ได้จากการฝึกสมาธิไม่ได้ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้มามันก็จะทำให้เรานี้ลดการใช้ใจ่ายเงินทองได้มากเพราะว่าเราเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองเราก็มาหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วจะได้ความสุขมากกว่าการใช้เงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาสวมใส่ หรือซื้อของแพงๆมาใช้นความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้นพอใจสงบแล้วความอยากที่จะใช้เงินทองหาความสุขต่างๆมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนั้นเงินทองที่คิดว่าไม่พอใช้ก็จะเริ่มเหลือใช้แล้วก็เลยคิดว่าเราจะหาเงินนี้ไปทําอะไรเมื่อได้เงินมาเราก็ไม่เอาไปใช้ก็เลยอาจจะคิดว่าทํางานให้มันน้อยลงดีกว่า เ่าที่จะได้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจให้มากขึ้นต่อไปอาจจะลดการทำงานลงได้หรือเปลี่ยนงานก็ได้ถ้าทำงานที่เป็นงานประจำต้องทำอยู่ก็มาเปลี่ยนเป็นงานที่เราสามารถเลือกเวลาทำได้อาจจะทำอาทิตย์ละวันสองวันก็ได้เลือกเวลาตามที่เราต้องการได้เวลาที่เราไม่ทำงานเราก็ไปไปปฏิบัติธรรมไปเจริญจิตภาวนา ไปเดินโจมโกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้สงบเนี่ยแพอได้ปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกิดมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นเห็นเห็นหนผลที่พทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เห็นกันแล้วว่า อ, อ๋อการหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดเวลานี้เป็นอย่างไรตอนนี้เราหลุดพ้นได้เป็นบางเวลา ถ้าเกิดเราได้หลุดพ้นตลอดเวลามันจะวิเศษขนาดไหนมันก็จะยิ่งทําให้เกิดมีกําลังใจมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็อาจจะตัดสินใจออกบวชต่อไปเพราะเมื่อออกบวชแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการทำรมาหากินหาเงินหาทองเพราะนักบวชนี้มีผู้ที่ยินดีสนับสนุนเช่นศรัทธาญาตโยม ที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการสนับสนุนนักบวช ด, ด้วยการทําบุญใส่บาตรด้วยการสร้างกุฏิสร้างถาวระวัถตถุต่างๆนักบวชเลยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาเงินหาทองก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ตื่นไปถึงเวลาหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะเริญสติพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดความคิด แล้วก็นั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ตั้งอยู่นานๆมีอุเบกขาใจเป็นกลางใจไม่รักชังกลัวหลงแล้วพอออกมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าถ้าอยากอะไรแล้วจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเวลาเกิดความอยากใจก็จะไม่สงบพอไม่สงบความทุกข์ก็จะเข้ามาถ้าอยากจะให้ใจสงบก็อย่าไปอยากหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้อย่างถาวรก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนี้เป็นโทษเป็นทุกข์ได้มาแล้วจะต้องทำให้เศร้าโศกเสียใจไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเจริญแล้วมีการเสื่อมได้เวลามันเจริญเวลาได้มาใหม่ๆมันก็มีความสุขกันแต่พอใช้ไปใช้ไปพอของมันเริ่มเก่ามันก็เริ่มเสียขึ้นมา พอเสียความสุขที่เคยได้จากรถยนต์ก็กลายเป็นความทุกข์ไปซื้อรถมาใหม่ๆนี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วแต่พอใช้ไปใช้ไปมันก็เริ่มเก่าเริ่มเสียพอเวลาจะไปไหนก็ไปไม่ได้ยางแตกบ้างรถ ส, สตาร์ทไม่ติดบ้างความสุขที่ได้จากรถก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขนะึ้นมาถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็อย่าไปมีมันดีกว่า ใช้รถของคนอื่นดีกว่าใช้รถเมใช้รถแท็กซี่ก็ได้ต้องการใช้บริการเมื่อไหร่ก็เรียกมาใช้ได้ทันทีหรือถ้าดีที่สุดก็อย่าไปไหนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช้รถเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังเวลาที่เราทำใจให้สงบได้นี่เรามีความสุขพอมีความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความ จ, จำเป็นที่จะต้องไปไหน เพราะว่าความสุขมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราอยู่ในสถานที่ที่มันสงบเราก็เลยไม่คิดอยากจะไปไหนก็ไม่จำมีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรพออยากจะได้อะไรมันก็ตัดได้ง่ายเพราะว่าไม่มีความจำเป็นมาบังคับให้ต้องมีกันนี่คือประโยชน์ของการได้เป็นนักบวชพอเป็นนักบวชแล้วมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้นั่งสมาธิตลอดเวลา ได้เจริญปัญญาตลอดเวลาก็สามารถคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆได้ตลอดเวลาความโกรธก็จะน้อยลงเพราะความโกรธนี่เกิดจากความผิดหวังเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาแต่พอไม่มีความอยากได้ความโกรธมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติความความอยากมันก็หายไปจากการมีปัญญามีปัญญาที่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การ ปฏิบัติธรรมนี่เองอยู่ที่การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่งนั้นถ้าต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีทุกข์ก็ต้องพยายามเจริญสติพยายามเดินจงกรมพยายามนั่งสมาธิแล้วก็พยายามเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยง พอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอนัตตาไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาต่อไปก็จะไม่มีความอยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขชนิดไหนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีความอยากได้เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป เวลาหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือการปฏิบัติที่จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้การปฏิบัติขั้นศีลกับขั้นบุญธรรมบุญธรรมานนี้เพียงแต่ตัดกำลังหรือลดปริมาณให้มันน้อยลง แต่ไม่สามารถทำให้มันตายหายจากไปได้อย่างถาวรจะต้องเกิดจากการภาวนาการภาวนานี่ก็มีสองขั้นขั้นแรกก็ทำทำใจให้สงบเพื่อหยุดกิเลสไว้ชั่วคราวกิเลสก็ยังไม่ตายกิเลสตัณหาไม่ได้ตายด้วยสมาธิสมาธินี่เป็นเหมือนหินทับยญ้าหญ้าไม่ตายด้วยหินที่เอาไปทับมันพอเรายกหินออกจาก ยาเป็นทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวยาก็งอกกลับขึ้นมาใหม่เพราะมันยังมีรากอยู่ภายในดินอยู่พอเอาหินออกมามันมีโอกาสที่ได้รับแดดรับน้ํารับอากาศมันก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาใหม่ได้แต่นในเวลาเข้าสมาธิกิเลสตัณหาก็เหมือนตายไปแต่มันไม่ตายอย่างสนิทเพราะว่ามันได้มันไม่มีโอกาสได้ทํางานเพราะตอนนั้นจิตนิ่งอยู่เฉย พอจิตนิ่งกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถสร้างความโลภสร้างความอยากสร้างความโกรธต่างๆได้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งพอเริ่มคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็ไปเห็นของนั้นดีของนี้ของนั้นดีก็อยากได้ขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาถ้าต้องการจะลับความโลภ ค, ความอยากอย่างถาวรก็ต้องสอนใจให ให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นี้มันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรมันไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปถ้าเห็นว่ามันต้องเสียต้องจากเราไปเราก็อาจจะไม่เอาดีกว่าเวลาได้มาก็ดีใจแล้วพอเวลาก็จากเราไปก็ต้องทำให้เราร้องห่มร้องไห้ <c oughs> ก็อย่าไปเอาดีกว่าถ้าอยากจะเอาความสุขก็กลับเข้าไปในสมาธิดีกว่าหรือหยุดความอยากทั้งนั้นเองพอเราหยุดความอยากได้ ความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปแล้วความสุขใจความอิ่มใจก็จะปรากฏขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นประโยชน์ของการใช้ปัญญาว่าปัญญานี่แหละที่จะทำให้ใจเราสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิปัญญานี้เราจะใช้เพื่อกาจัดความอยากต่างๆว เ, เกิดความอยากนี้ใจเริ่ม เริ่ ม, ร ม, มีอาการไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเริ่มมีอาการหิวโหยมีความกระวนกวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแต่พอเราใช้ปัญญามาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์พอเห็นปั๊บก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้อาการกร ะ, กระวนกวายกระสับกระส่ายเอ า, อาการที่ไม่รู้สึกสบายใจมันก็จะหายไป ความสงบหรืความสบายใจก็ปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต่อไปพอเรามีปัญญาแล้วสมาธินี้ก็เข้าเข้าบ้างก็ได้ไม่เข้าก็ได้เข้าในกรณีที่เรายังไม่สามารถใช้ปัญญาระงับความวุ่นวายใจได้ก็ต้องเข้าไปในสมาธิแทนก่อนใช้สติก่อนแต่ถ้าเราใช้ปัญญาระงับความวุ่นวายใจได้เราก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ แล้วการระ ง, งับความวุ่นวายใจด้วยสมาธินี้มันจะเป็นการระ ง, งับแบบถาวรเราเคยวุ่นวายใจกับเรื่องนี้มาก่อนพอใช้ปัญญาปั๊บต่อไปเรื่องนี้จะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอีกต่อไปแต่ถ้าเราใช้สมาธิความวุ่นวายใจหายไปตอนที่เข้าสมาธิแต่พอออกมาความวุ่นวายใจเรื่องเก่าๆนี้ก็จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้อีก นี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้สติใช้สมาธิกับใช้ปัญญาถ้าใช้สติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิก็จะรํบนับความวุ่นวายใจต่างๆไว้ได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเจอเรื่องเก่าก็เกิดความวุ่นวายใจได้อีกแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางตัดความอยากในเรื่องนั้นได้ปล่อยมันเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่สนใจ ต่อไปเจอเรื่องนั้นกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกวุ่นวายใจต่อไปเพราะได้ตัดด้วยปัญญา<ม>การที่เราจะตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องตัดด้วยปัญญา<ม>แต่ก่อนที่เราจะตัดด้วยปัญญาได้เราต้องตัดด้วยสมาธิให้ได้ก่อนเพราะว่าการใช้สมาธินี้มันง่ายกว่าการใช้ปัญญาและการจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วย พรจิตที่ไม่มีสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะหยุดตัวเองได้พวกเรานี้เคยหยุดใจของเราได้บ้างหรือเปล่หยุดให้มันคิดได้ไหมหยุดไม่ได้บางทีคิดมากยากระทั่งนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดมันเมื่อไม่มีสติสมาธิเราจะไปใช้ปัญญายิ่งใช้ไม่ได้เพราะใจมันไม่ยอมคิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปในทางกิเลสตลอดเวลา ดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้นี้ท่านสอนให้เราไปฝึกสมาธิให้เข้มแข็งก่อนทําจิตให้เข้มแข็งสามารถหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นการหยุดแบบชั่วคราวก็ตามนะก็เป็นการที่จะช่วยทําให้เรามีกําลังที่จะหยุดได้หยุดอารมณ์ต่างๆหยุดความอยากความต้องการต่างๆได้พอเราเอาปัญญามามาประกบให้เราเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นั้นจะทำให้เราทุกข์ต่อไปถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับสิ่งนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่เอาดีกว่าเราลองสังเกตดูทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรเราก็ทุกข์กับเรื่องของที่เรามีไม่ใช่หรือใช่ถ้ามีบ้านก็ทุกข์กับบ้านมีรถก็ต้องทุกข์กับรถมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีกับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมัน เพราะรักมันหวงมันหวงมันนั่นเองเพราะกลัวมันจะจากเราไปากลัวมันจะหายสาบสูญไปแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็หายเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราว น, นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีลูกเราก็ไม่มีความทุกข์กับลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยายเราก็ไม่มีความทุกข์กับสามีกับภรรยายไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่มีความทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทอง เนยลองใช้ปัญญาพิจารณาดูสิความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเกิดจากการมีอะไรต่างๆั้มีลาบก็ต้องทุกข์กับลาบมียศก็ต้องทุกข์กับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกข์กับสรรเสริญเพราะมันมีนินทาตามมามีมีมีาบก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามียศก็มีการเสื่อมยศตามมาเป็นธรรมดานั่นเองนี่คือปัญญาขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่ ที่แท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพอเราเห็นว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไร mm hmm. เราก็พอตัดความอยากได้จิตก็สงบจิตก็เย็นสบายไม่หิวไม่โหย mm hmm. มีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลา mm hmm. อันนี้แหละคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาอย่างถาวอน mm hmm. ทุกจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปถ้าเราใช้ปัญญา กำจัดตัวที่สร้างความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนี้นั่นเองพอเราใช้ปัญญากำจัดไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปจากใจเหมือนยาที่เรารับประทานเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหมอก็ให้ยาเรามารับประทานวัเรารับประทานยาเข้าไปอาการเจ็บปวดก็จะค่อยๆลดลงไปลดลงไปจนในที่สุดก็จะหายไปหมด พอเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดนั้นมันหายไปนั่นเองฉันใดการปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญานี้จะทำให้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ตัวสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี้ค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดก็จะหายไปหมดไปจากจิตจากใจพอหายไปหมดจิตของเราก็จะเป็นจิตที่ หายจากทุกนั่นเองหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติวิมุตติก็ว่าหายจากทุกแล้วถ้าเป็นมหมอก็บอกคนไข้ว่ากลับบ้านได้แล้วไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลถ้าเป็นนักบวชก็บอกว่าสิ้นสุดแล้วงานงานของนักบวชได้สิ้นสุดลงแล้ววุตสิตังบ ร, รมจริยังงานของนักบวชนี้ได้ถึงจุดที่สุดท้ายแล้วไม่ต้องมีงานต้องทําอีกต่อไปจะจิตมันจะไม่มีการพยศจิตจะไม่มีการวุ่นวายต่อไป จิตจะมีแต่บริสุขไปตลอดคือนิพพานนี่จิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาจิตที่บริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากําจัดที่สอนให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในคําสอนข้อที่3นี้เป็นเป้าหมายที่สูงสุดของาศาสนาทําให้เราจะได้ไม่ต้องมีการมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรานี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั่นเอง พอเรากำจัดมันหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะเดึงให้เรามาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากการตายมายอีกต่อไปนี่คือผลที่พทธเจ้าต้องการให้พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายได้เข้าถึงกันและได้ทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีความสามารถเข้าถึงได้จนปรากฏมีพระสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิรูป ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วมาเป็นผู้ยืนยันให้พวกเรารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงเป็นของที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ที่เราพวกเราไม่ควรมองข้ามกันพวกเราควรที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราจะเห็นผล พอจะเห็นผลแล้วความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริงไปต่อไปเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะพุง่งเราก็จะพุ่งไปสู่การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและการกระทําบาปมากขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นชําระจิตใจให้มากขึ้นไปตามลําดับจนในที่สุดจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเรื่องราวของวันมาค้าบูชา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 อิชิตังปัติตังตุ მ หังคิดมะเมวะสมิชฉาตุสัพเพปเรนตุสัง a ปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพารโควินาสสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะอภิวะธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธมาวทานติอายุวันสุขังภาลั ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบคาถามแต่เวลารู้สึกว่าจะเหลือแค่สงนาทีแต่จะต่อวันนี้ต่อถึงสี่โมงก็แล้วกันน ะ, ะ, ะจะได้คนเยอะกว่าจะได้เสร็จหลนงั้นก็วันนี้ใครอยากจะถามอะไรก็เข้ามาถามได้หรือว่าส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกกันแล้วน ะ, ะวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ กลับนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทาง Facebook ้า2 y o u t ี่สิบ6วิทยห้าิหกิทออนไลน์บอผู้รับฟังหน้ากุฏิ3รสิบอรวมหนึ่งพันอี่ิท่านเจ้าค่ะวันนี้ยอดสูงสุดตั้งแต่ที่เก็บสถิติ <laughs> 1,200 อ, อกลับขอโอกาสเจ้าค่ ะ, ะถามได้เลย เมื่อเช้ามีญาติโยมใส่บาตรทั้งหมดกี่คนเจ้าคะพันสามสิบพันสามสิบประมาณาก็นับแบบคร่าวๆนะนับทุกคนไม่ไหวบางทีก็ทีละสิบเจอสิบไฟไล่ห่ประมาณพันพันสามสิบหวยไม่ออกนะนับประกันยอันนี้ก็สงสุดบินนบานมะาตั้งแต่ที่เคยบินนบานมะาก็วันนี้ก็สงสุดถึงถึงขีดพัน เมื่อก่อนก็แปดร้อยกว่าเก้าร้อยอันนี้เกินเกินพันนะฮะเชิญใครอยากจะถามเชิญถามได้กลับนำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะเพิ่งเคยฟังทมกับหลวงพ่อมาประมาณสักสองเดือนผ่านทางเ c e b o o k ค่ะลูกปฏิบัติธรรมจริงจังอยู่กับบ้านมาประมาณสักเจ็ดแปเดือนค่ะ ก็ใช้การภาวนาแบบหายใจเข้าพุทธออกโทค่ะพอภาวนาไปได้สักสองเดือนก็คิดว่าอยากจะถือศีลห้าจิตใจก็สงบดีค่ะประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจที่สงบดีเนะียเพอเอิญได้ไปฟังธรรมะของหลวงปู่สิมพุทธาจารโลค่ะท่านสอนเรื่องการพิจารณาโครงกระดูกสามร้อย้นเจ้าค่ะ หลังจากฟังรอบแรกก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะยากก็เลยฟังรอบที่สองพอฟังรอบที่สองแล้วก็พิจารณาตามที่ท่านสอนพอดีว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เรื่องของโครงกระดูกของร่างกายก็เลยพิจารณาทําตามท่านไปหลังจากนั้นก็เห็นมโนภาพว่ามีโครงกระดูกของตนเองเนี่ยอยู่กับตัวเองตลอดเกือบทุกลมหายใจเดินไปไหนมาไหนกินข้าวทางานบ้านก็ยังอยู่ แม้แต่หลับก็ยังจิตก็ยังไปพิจารณาโครงกระดูกอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่สาวันสามคืนแทบจะไม่ได้นอนนอนก็ยังเห็นโครงกระดูกอยู่ก็เลยตกใจเอาพุทธรูปมาค้องแต่ไม่เห็นคนอื่นว่าเป็นโครงกระดูกนะคะเห็นแต่ร่างกายตนเองแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยสบายเหมือนพุทโธมันรู้สึกว่าจิตนี่มันแน่นเหมือนเหมือนไม้หลักปักไว้เพราะว่าเราเห็นโครงกระดูกติดตัวตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย นั่งไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าโครงกระดูก น, นั้นเปลี่ยนไปจากมโนภาพของเราที่เห็นกระดูกของเรานั้นเป็นสีขาวค่อยๆกลายคล้ายเป็นแก้วขุ่นๆหลังจากนั้นก็กลายเป็นแก้วใสพิจารณาไปสักพักกระดูกก็ค่อยละลายหายไปหลังจากนั้นก็ไม่เห็นตัวตนตันเองไม่เห็นเก้าอีนั่งไม่เห็นสภาพในห้องนอนของตนเอง ไม่เห็นหมาสรุปแล้วก็คือไม่ได้ยินเสียงลมหายใจไม่มีเหมือนโลกธาตุมันดับไปหรือจิตตนเองอย่างเดียวที่รู้อยู่เป็นอยู่นานเจ้าค่ะพอออกจากสมาธิมาจิตมันก็บอกว่านี่ไงกายไม่ใช่ของเราวัตถุธาตุก็ไม่เหลือ แล้วจิตมันก็เกิดอาการที่เรียกว่ามันทิ้งกายเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ตอนที่ภาวนาพุโทโธจิตกายมันก็เคยหายไปแต่อันนี้เป็นแปลกมากคือมันหายไปหมดเลยกายก็ไม่มีวัตถุธาตุในโลกก็ไม่มีเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วจิตมันก็ทิ้งกายมันสอนว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหลังจากนั้นลูกก็เลยทิ้งกายจิตทิ้งกายก็เลยไม่สนใจอะไรเลยก็อยู่กับอารมณ์นั้นได้อีกสามวันสามคืน เนื้อเจ็บจิตทิ้งกายลูกก็เลยไม่อาบน้าเจ้าค่ะก็คิดว่ากายมันไม่ใช่ของลูกลูกก็ไม่ได้สนใจแต่พอออกจากสามวันนั้นจิตรู้สึกสบายมากเลยเจ้าค่ะแล้วพอพาสามวันไปมันก็เสื่อมลงค่ะจิตมันก็กลับมายินดียินร้ายใหม่คำถามของลูกคือลูกควรจะพิจารณากระดูกสามร้อยท่อน กลับพุโทโธต่อไปหรือว่าควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะคือมันมีทำสองอย่างี้กันก็กลับไปทำสมาธิแบบที่เราเคยได้มาให้มันได้ว่างแบบที่เราได้มาแล้วเวลาออกมาก็เอามาใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่านี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงธาตุเป็นดินน้าลมไฟไม่เที่ยงแล้วก็ ทำสลับกันไปเวลาอยู่ในสมาธิก็ทำใจให้ว่างเหลืวแต่ผู้รู้เวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นด้วยว่าเป็นเหมือนกันมีโครงกระดูกเหมือนกันมีอาการสาสบสองเหมือนกันเป็นดินน้าลมไฟไม่มีตัวตนในร่างกายสอนเพื่อเราได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วเวลาต่าไปเวลาเกิดการ พัดภาคจากการใจของเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ ใ, ใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆว่ามันเป็นเพยงดินน้ำลมไฟยั น, นั้นก็ต้องทำอย่างนี้ไปอย่าหยุดถ้าทำถ้าหยุดถ้าได้สมาธิแล้วหยุดเนียมันก็เสื่อมได้พอออกมาก็ต้องใช้ปัญญาต่อสอนใจให้อยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยคือร่างกายทุกคนเห็นใครก็เห็นคงกระดูกเห็นร่างกายเราก็คงกระดูกเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าปกติถ้าเกิดอยู่ในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้ภาวนาด้วยการหลับตาก็มีแต่รู้ลมหายใจเข้าพุดออกโธแต่ถ้านั่งสมาธิค่อยดูกระดูกอย่างนั้นใช่หรือเปล่าจ้าคะก็เวลาออกมาก็เจริญสติก็ได้หรือพิจารณาดูกระดูกต่อก็ได้เห็นหน้ากายใครก็อย่าไปดูที่หน้าตาก็มองทะลุเข้าไปที่โครงกระดูกเขาแทนหนูไม่เห็นกระดูกคนอื่นตัวหนูเห็นแต่กระดูกตัวเองเหมือนกันของเขาของเราก็เหมือนกันใช่ไหมไปถามหมอดูต่างกันไหม กรดูกของเราแล้วก็ถ้าเห็นของเราก็ต้องเห็นขอคนอื่นเหมือนกันก็รนึกขึ้นมาได้ถ้าไม่เห็นมันนึกขึน้นมาค่ะคนต้องใช้วิปัสสนา ก, ก่อนนึกไป น, นานๆพอมันจําได้มันก็จะเป็นวิปัสสนามันก็จะไม่ลืมแล้วโมโนภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปจนสลายหายไปนี่ไม่ใช่จิตเรานึกขึ้นเองใช่ไหมเตัวคะเวลาจิตสงบทุกอย่างจะหายไปหมดมันจะว่าเป็นปกติมันเป็นปกติของสมาธิเจ้าค่ะขออนุญาตเรียนถามอีกข้อเดียวเจ้าค่ะ คือเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ในชีวิตประจำวันาอารมณ์มันก็จะไม่ค่อยขึ้นลงมากจิตมันก็ค่อนข้างกลางแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลานอนหลับฝันเนี่ยค่ะ เ, เราก็ยังรู้สึกว่าเรามีโกรธแค้นเคืองหรือว่าเราก็ยังนึกถึงอาหารที่เราชอบ KFC อะไรอย่างนี้อยู่ในความฝันแต่ว่าในตอนที่เราอยู่ในสมาธิตอนที่เราตื่นเนี่ย เราไม่มีไม่มีความอยากเช่นนั้นอยู่จึงขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าความฝันในทางพระพุทธศาสนานั้นมันคือตอนที่จิตของเรายังดําเนินอยู่ไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าสติของเราไม่ดีพอจึงทําให้เราเห็นว่าเรายังละไม่ได้จริงใช่หรือเปล่าเจ้าคะถูกต้องความฝันมันจะบอกว่าจิตของเราอยู่ในระดับไหนทาจัดกิเลส ต, ตัวไหนได้บ้างถ้ากิเลส ต, ตัวนั้นโผล่ขึ้นมาเราเวลาออกจากเวลาตื่นขึ้นมาเราก็ต้องพยายามเจริญปัญญาเพื่อดับตัวนั้น เราคิดถึงอาหาร KFC ก็คิดถึงถึงเวลามันอยู่ในท้องเราอยู่ในปากเราเวลาจียนออกมาเวลาถ่ายออกมามันก็ KFC เป็นเงินใช่ค่ะ <laughs> ใช่แล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดถึงมันงั้นก็แสดงว่าความฝันของเรานั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเรายังตัดมันไม่ได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จิตเรายังมีความอยากยังชอบอยู่มันถึงฝันหนึ่งมัน มันก็ยังตรงกับที่หลวงพ่อสอนว่าเป็นหินทับยาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่หรือเวลาหลับมันก็เราไม่มีสติแล้วก็คุมมันไม่ได้ใทีเดตัวไหนมันก็ออกมาสแสดงได้ค่ะก็ต้องพอรู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องอยู่เราก็ต้องมาเจริญปัญญาเพื่อแก้บกพร่องตัวนั้นถ้าคิดถึงเรื่องอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารในจานให้คิดถึงอาหารในปากในท้องเวลาถ่ายออกมาเวลาเจียนออกมาดูหน้าดูตามันมันก็จะหายา ต่อไปมันก็ยังไม่คิดถึงอาหารคราวนี้ตอนที่ฝันเนี่ยเจ้าค่ะตอนที่คิดว่าเราไม่โกรธเขาแล้วตอนที่เราตื่นอยู่แต่ว่าตอนหลับเนี่ยเราก็ไปโต้เถียงกับเขาอย่าง<ช>หน้าดำหน้าแดงเพราะเรายังมีความอยากยใช่ค่ะชนะเขาอยู่ค่ะแล้วในฝันนั้นเนี่ยก็กลับมาพุทธโธด้วยตนเองเหมือนกับว่าตอนที่ยังหลับอยู่ก็ดึงสติตัวเองให้มาพุโทโธพอพุโทโธจิตสงบ<ม>ก็มีคําผูดคําว่าอปปัญญาภาวนาม หนูว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าหนูเป็นคนนี้ไม่สนใจบาลีสันสกิตไม่รู้จักไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนหนูก็สะกดอัปปมัญญาภาวนาใน เ, เขาไปเ r ิ h ใน Google ก็ปรากฏว่ามันเป็นคำที่ช่วยให้ทำให้เราผ่อนคลายเรื่องของความโกรธมันมีหลายๆครั้งที่จิตผุดคำที่ไม่น่าจะรู้จักขึ้นมาเอง เช่นอุเบขาเอกคาตาอัปมัญญาแบบเนี้ค่ะอย่างนี้หนูขอเรียนถามหลวงพ่อว่ามันโอกาสที่มันจะปรุงหรือว่าไปจําคนอื่นของมามันก็ไม่มีอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรเจ้าคะเราเชื่อมันได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้ามันเป็นความจริงก็สแสดงว่ามันเคยได้ยินมาก่อนไม่ชาติ น, นี้ก็ชาติกันก่อนชาตินี้ไม่เคยได้ยินเจ้าคะก็ต้องเป็นชาติกันก่อน มันก็ฝังอยู่ในจิตเราเป็นความจำจิตใต้สำนึกเวลานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้แสดงว่าบางครั้งเราเราหนูก็เลยเอาเอามาพิจารณาอปิมัญญาต่ออันนี้เราเชื่อเชื่อที่จิตมันบอกได้แม่เจ้าเคยดูประโยชน์ที่จะเกิดจากกา ร, ราทำถ้ามันดับกักเกลิได้ทำให้ใจสงบได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าทำให้ใจเราหลงทำให้ใจเราฟุ้งเฟอ้อขึ้นมานี่ก็ก็ผิด ถ้าสิ่งใดเป็นไปทางเพื่อลักิเลสถือว่าถูกใช่ไหมเจ้าคะถ้าเป็นไปเพื่อสร้างกิเลสก็ผิดต้องต้องระวังมันเป็นเหมือนเครื่องมือพวกนี้ค่ะเป็นเหมือนมีดเอาไปทําประโยชน์ก็ได้เอาไปทําทอษก็ได้ตอย่างถ้ารู้จักใช้มันค่ะขอบพคุณมากเจ้าค่ะอจะได้ไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะวันนี้เล่นหมาวคนเดียวเลยนะอ่แต่ก็เป็นคําถามที่มีประโยชน์เนี่ย เนี่ย um> เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าปฏิบัติก็อาจจะได้เจอบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะไม่มีนิมิตก็ก็ได้แต่สิ่งที่จะได้ก็คือความสงบเห็นจิตว่างเห็นเหน็นเหงือแต่ตัวจิตตัวรู้ตัวเดียวแล้วก็จะเจอกับความสุขเห็นอุเบกขาใจเราเย็ยนใจสบายไม่รุ่มร้อนใครจะพูดใครจะทาอะไรก็เฉยได้ อันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเังนั้นการที่ได้ยินได้ฟังเพื่อนปฏิบัติเขาได้เห็นได้ยินได้พบก็ทำให้เรามีกำลังใจว่าต่อไปถ้าเราทำบ้างเราก็จะได้ผลตามที่เขากระทำแสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของออเป็นหมันเป็นของที่มีเหตุมีผลถ้าจเจริญเหตุได้ผลก็จะเกิดอาะนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา